วันนี้เป็นวันที่แปดวันที่แปดเมษายนพุทธศักราชสองพันห้า้อยห้าสิบห้าแล้วอีกไม่กี่วันข้างหน้านี่ยจเป็นวันสงกรานวันที่สิบสามเมษานี่เป็นวันที่แปดเป็นวันอาทิตย์พกเราจะได้บวชพระองค์หนึ่งวันเนี้พระอาจารยจะหารเสร็จแล้วก็คงจะทําพิธีเป็นลูกของคุณโยม คุณหลวงที่เป็นลูกศิษย์ลูกหาองค์หลวงตาของเราตั้งแต่ดึกําบันตั้งแต่เก่าแก่ลกศิษย์ลู ก, กหาองคง์ตาแล้วก็ลูกชายจะมาบวชทดแทนพระคุณพ่อแม่ปู่ย่าตายายกอดีหลวงพ่อว่านะมีลูกชายขึ้นมากับคนโบราณเขาก็ต้องเป็นอย่างนี้แหละมีลูกชายขึ้นมากับบวชแทนพระคุณของพ่อของแม่ พ่อพ่อแม่เลี้ยงดูเรามาด้วยความยากลำบากกว่าเราจะเป็นคู่เป็นคนเป็นหนุ่มเป็นสาวขึ้นมาเนี่ยด้วยความทนุถนมสมัยเป็นเด็กยิ่งเลี้ยงดูให้ออก อ, อาใจอย่างสุดๆดหลวงตามมหาบัวานว่าสมัยเป็นเด็กเป็นข้าหลวง พ่อใหญ่ขึ้นมาลดตำแหน่งลงเป็นนายอำเภอแต่ลดลงมาเป็นเป็นกำนันแต่ก็ไม่ยอมมันก็ต้องเป็นผู้ใหญ่บ้านอย่างเก่านะถึงจะใหญ่ขนาดไหนก็ยังเป็นผู้ใหญ่บ้านกับพ่อกับแมนะ่ต้องเป็นผู้ชี้ผู้นาของพ่อของแม่ตลอดไม่ยอมลงเป็นลูกบ้านนะไม่ยอมเป็นลูกน้องของพ่อของแมนะ่ลูกทั้งหลายโดยมากจะเป็นผู้ใหญ่บ้านทนะ่งตัวอยู่ตลอด ให้เขาว่าเป็นใหญ่ในครอบครัวเป็นใหญ่ในตระกูลเป็นใหญ่ในพ่อในแม่ลูกทุกคนจะเป็นลักษณะอย่างนั้นอันนี้ลงตาท่านให้ความคิดเห็นสมัยเป็นเด็กๆค่าหลวงอค่าหลวงก็คือผู้ว่าเนี่ยสมัยก่อนเราพวกเราเรียกผู้ว่าราชการจังหวัดเนี่ยแล้วว่าเรียกว่าค่าหลวงค่าหลวงจังหวัดลูกคนเล็กเนี่ยจะเป็น าลูกตัวเล็กเนี่ยจะเป็นค่าหลวงชี้อะไรได้อย่างนั้นพ่อแม่ก็ต้องตาม อ, อกตามใจของลูกพ่อใหญ่ขึ้นมาหน่อยลดตำแหน่งลงเป็นนายอำเภอยึ่ลดไม่ใข่สูงเท่าไรหร่ละแต่แต่ถึงยังไงก็ยังเป็นใหญ่กว่าพ่อแม่อยู่ต่อมาลดลงมาเป็นกำนันแต่มาถึงผู้ใหญ่บ้านแล้วไม่ยอมลดนี่แหละ เมื่อพอ่อแม่เลี้ยงดูเรามาถ้าเราลำลึกถึงพระคุณของท่านเราก็ต้องเสียสละเวลาเวลาบวชตามประเพณีอย่างหลวงตามหาบวนก่อนที่ท่านจะบวชท่านก็ไม่ใช่อยากจะบวชนะถ้าเราศึกษาในประวัติของท่านท่านเขาเป็นหนุ่มชอบเที่ยวชอบเล่นเพราะเป็นหนุ่มอายุ20ปีบ้านนอกสมัยนั้นไปพออายุ พอมีอายุขึ้นมาแล้วครเป็นหนุ่มเป็นสาวขึ้นมาแล้วพ่อแม่ก็จับแต่งงานกันละ่ะคู่นั่นต่อคู่นี้คู่นี้ต่อคู่นั่นอันนี้คือคนโบราณแต่ลงตากันลักษณะอีิลอบนั่นละ่ละก็จะได้ยากจะแต่งงานอแต่พ่อแม่ก็คิดว่าเออลูกของเราแต่ยังไม่มีใครบวชเลยอพี่ชายใหญ่ที่จะให้บวชก็ไม่ได้บวชไปแต่งงานก่อน ลูกชายของหลวงตาของเราด้ยก็เป็นหนุ่มขึ้นมากมีแนวโน้มจะเป็นอย่างนั้นอีกพ่อแม่ก็ได้ได้ขอร้องหลวงตาจะได้ตัดสินใจตัดสินใจในความยากลำบากมากไปคิดอยู่ทั้งสามวันไม่มาทานอาหารเลยคิดแล้วคิดอีกสามวันจากนั้นท่านก็ตัดสินใจสามวันแล้วก็ได บวชพอบวชเข้ามาแล้วก็ได้ศึกษาธรรมะปฏิบัติศึกษาพุทธประวัติศึกษ า, กษาสาวกประวัติศึกษาหลักธรรมคาสอนจากนั้นก็ลงมือประพฤติปฏิบัตินั่งภาวนาเองใจของท่านก็ ด, ด, ดูดดิ่มสู่เข้าสู่ธรรมะจากนั้นก็จิตใจของท่านก็ยึดแนวแถวปฏิปทาของพระพุทธเจ้าพระธรรมประสงค์จากนั้นท่านก็เลย บวชเข้ามากันไปศึกษากับหลวงปู่มั่นปู่มั่นก็เทศให้ฟังแสดงธรรมให้ฟังเป็นของจริงทั้งนั้นจากนั้นท่านก็เลยเหมุนไปไปในทางพระสงเลย ท, ท่านก็เลยอยู่ในพระพุทธศาสนาตลอดเป็นประวัติอันสวยงามสําหรับหลวงตาของเรานี่แหละสรุปแล้วก็คือหลวงตาที่แรกแท่านก็ไม่อยากจะบวชเหมือนกันแต่พอมาท่านซึ้งในธรรมะ ท่านก็บวชตลอดไปได้อันนี้ก็คงจะเป็นอุปนิสัยเป็นบุญวาสนาบารมีของท่านดึกดําบรรในอดีตชาติติดพบติดชาติมาแล้วมาถึงชาตินี้เป็นชาติทุดท้ายก็มีธรรมดาบ้างมีเมฆมีหมอกมาปิดกัน้นแต่ท่านก็เอาชนะใจของท่านได้ผลที่สุดท่านก็ไปถึงจุดหมายปลายทางอย่างที่พวกเราท่านทั้งหลายได้เห็นได้ฟังได้ศึกษาจากองค์ท่าน แต่บางท่านบางคนก็เออได้บวชในพระพุทธศาธสนาเพียง15วันหรือเดือนหนึ่งหรือสมเดือนอย่างนี้ก็ปีสองสปีก็นับว่าเป็นบุญเป็นกุศลเหมือนกันเป็นการทดแทนพระคุณของพ่อของแม่คนโบราณเขาบอกว่าลูกกนะ็คื อ, คอเลือดเนื้อเชื้อไขของตระ ก, กูลเมื่อได้บวชเข้ามาแล้วก็ พ่อแม่ได้กราบได้ไหว้ได้เห็นผ้าเหลืองพระก็ได้รักษาศีลภาวนาปฏิบัติตามแนวแถวปฏิปทานหรือว่าพุทธบัญญัติที่ว่าเป็นสากยบุตรเป็นสากยบุตรเป็นบุตรของพระพุทธเจ้าอันนี้มาพูดถึงเป็นบุตรหรือว่าเป็นลูกของพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าเป็นมหากษัตริย์ เป็นพระเจ้าแผ่นดินออกบวชแต่ถึงอย่างไงเมื่อท่านประกาศพระศาสนาประกาศพระศาสนาให้แก่พวกเราท่านทั้งหลายพวกเราท่านทั้งหลายกับเคารพนับถือเลื่อมใสในยุคสมัยนั้นพอออกบวชมาพระพุทธเจ้า ว, วางกฎระเบียบวางกฎระเบียบก็คือพระองค์เป็นพระเจ้าแผ่นดินกฎระเบียบทั้งหลายก็เป็นกฎระเบียบที่พระเจ้าแผ่นดิน เคยปฏิบัติกิริยามา ร, รยาทอย่างไรในการเป็นอยู่ให้เขาว่าเป็นมา ร, รยาทในพระราชสำนักนะพระองค์ขอนําพระธรรมคําสอนนะั้นปฏิปทาหรือว่าแนวดําเนินชีวิตของกษัตริย์เอามาสอนพวกลูกท่านเพราะว่าท่านว่ารับว่าเป็นลูกนะสักยบุตรนะบุตรของพระพุทธเจ้านะพวกเราเป็นสักยบุตรนะ เพราะนั้นพระองค์จึงสอนหมดเรื่องต่างๆเรื่องพระวินยัยหรือสิน227ข้อเนะี่ยที่หลวงพ่อยกขึ้นมาคือกิริยามารยาทที่เห็นได้ชัดๆก็คงที่เนะ่เราจะนุ่งห่มให้เรียบร้อยนะอันนี้ก็คือสิน227นะสิน227ของพระที่บวชเข้ามาแล้วต้องรักษา อันนี้แต่ละคอละคอเนี่ยเราจักนุ่งห่มให้เรียบร้อยนุ่งก็คือนุ่งผ้าสบองห่มก็คือผอมผ้าจีบอนให้เรียบร้อยเวลาเข้าไปในบ้านในหมู่บ้านก็ไม่เวิกผ้าเราจะไม่เวิกผ้าเข้าไปในบ้านเราจะไม่เอผ่าคุมศีซับไปในบ้านเราจะมีตาทอดลงไปในบ้านไปนั่งในบ้านเราจะไม่หัวหัวเราะเสียงดังไปทั่งในบ้านเราจะไม่โครงกายไปนั่งในบ้าน แล้วเราจะไม่เดินกระโยงเท้าไปในบ้านอันนี้ก็คือกิริยามารยาทของกษัตริย์หรือว่าของผู้ที่มีมารยาทที่ดีเวลาไปนั่งเราจะเป็นหัวเลาะเอื้อกอักอากเออ ม, มันดูแล้วมันไม่ไม่งามมันไม่เหมาะสมะเป็นพระเ้วก็เราจะมีตาทอดลงอตาทอดลงไล้า้ายกัเราไปในบ้านเราจะไม่มอง เธอโน่นเธอนี่ต้องมีมีความสำรวมทั้งเดินทั้งนั่งในบ้านอันนี้ก็คือพระพุทธเจ้าท่านสอนภาษาวกลูุกลูกศิลุกศลาของท่าน เ, เวลาเดินเข้าไปในบ้าน เ, เราจะไม่เอาผ้าคลุมศรีรษะเราจะไม่เวิรกผ้า เ, าเวิรกผ้าคล้ายเขาผ้าจีวรนเอาขึ้นบนบ่าเข้าไปในหมู่บ้าน แต่ทุกวันในลูกหลานพระบางองค์เดินเข้าไปในหมู่บ้านเข้าไปในตลาดเอาผ้าถลกขึ้นไปอันนั้นแหละไม่ถูกละไม่ถูกตามวินัยของพระพุทธเจ้าพร ะ, พ, ระพุทธเจ้าเป็นกษัตริย์อย่างที่หลวงพ่อได้บอกกล่าวให้แก่วพวกเราท่านทั้งหลายให้ฟังนะนิสัยหรือว่ามารยาทของกษัตริย์เนี่ยเป็นมารยาทที่เอจำรวมระวังและก็พร้อมกันก็ พระสงฆ์ที่มาบวชในศาสนาของพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าเป็นกษัตริย์ท่านก็พยายามเอายัดเยียดแล้ว่ากฎระเบียบของกษัตริย์ให้แก่พวกเราได้ศึกษาถ้าได้มาพูดเรื่องการฉันเถอะคนเราก็ต้องมีมีการเป็นอยู่แล้วกัการการฉันการฉันพระพุทธเจ้าเขาบัญญัติที่เราจะไม่ฉันดังจับจับคือไม่ให้มีเสียงในการฉันเราจะไม่ฉันดังสู้สู้ส เออเราจะไม่ฉันเรียมือเราจะไม่ฉัน เ, ออเรียริมฝีปากเราจะไม่ชันทํากระพุ้งแก้มให้ตุย๋ยเราจะไม่ฉันกัดคาข้าวเราจะไม่โยนขคำข้าวเข้าปากเมื่อข้าวอยู่ในปากเราจะไม่พูดนะฟังฟังดูสิอันนี้หลวงพ่อยกมาเป็นประเด็นให้พวกเราได้ศึกษาท่านเองนะเหลวงพ่อยกข้ามไปข้ามมาที่ว่าแต่ถึงยังไงก็ตามนี่แหละคือพระวินัยของพระ ทพระพุทธเจ้าบัญญัติเอาไว้อันนี้ก็คือฟังฟังดูซิถ้ามันเป็นอย่างนั้นเป็นยังไง เ, เวลาข้าวอยู่ในปากเราจะไม่พูดนะเอถ้าโยนคําข้าวคอปากแล้วเป็นยังไงทํากับพุ้งแก้มให้ตุยเป็นยังไงเอฉันพลางสะบัดมือพลางเป็นยังไงสรุปแล้วก็คือล้วนแล้วแต่ไม่มีมารยาทในการฉันเราจะไม่ฉันโปรยเมล็ดข้าวให้ตกลงในบาดหรือในที่นั้นๆต้องเก็บต้องรักษา ต้องรักษาความสะอาดในการเป็นอยู่ไม่ใช่โม ม, มาม เ, าเกินไปหมดไม่ใช่ไม่ใช่เรื่องของพระนี่แหละอันนี้คือพระพุทธเจา้าเมื่อบวชแล้วท่านเมื่อเป็นบุตรของท่านแล้วท่านต้องให้อยู่ในหลักลักษณะอย่างนี้เนะี่ยจากนั้นก็สอนอีก เ, อเวลาไปคบคบู่คนไปพบคู่พบคนเราจะไม่แสดงธรรมแล้วเราจะไม่พูดในอการที่เขาไม่เคารพ เขามีไม้พองในมือมีสัตระในมือมีอาวุธในมือสวมเขียงเท้าสวมรองเท้าอยู่บนที่นอนนั่งบนอาชนะสูงเรานั่งบนอาชนะต่ำจะไม่พูดไม่คุยเรื่องธรรมะกับคนที่นั่งอาชนะสูงเราจะไม่แสดงธรรมและเราจะไม่พูดด้วยในคนที่มีอาวุธในมือมีสัตราในมือมีอาวุธในมือแล้วเราจะไม่พูดด้วยเมื่อคนสวมรองเท้า แสดงว่าไม่เคารพแต่เมื่อเขาถอดรองเท้าแล้วพร้อมที่จะฟังเราจรึงจะพูดให้ฟังแสดงอาการเคารพซะก่อนเราจรึงจะพูดพอพระพุทธเจ้าท่านสอนสอนพระและอีกอย่างหนึ่งมันก็จริงในเมื่อเขามีอาวุธในมืออยู่เราไปพูดธรรมะให้เขาฟังถ้าเขาไม่พอใจเขาก็เอาอาวุธนั้นสังหารคนที่พูดก็ได้เพราะนั้นพระพุทธเจ้าท่านไม่ให้พูดมองแล้วให้หนี ให้ห่างแสดงว่าเขาไม่แสดงความเคารพเขาไม่เคารพจะพูดให้เขาฟังทำไมอยากพูดเหรอเนี่ยเราลูกศิษย์พระพุทธเจา้าพระพุทธเจ้าสอนให้ใช้ความรอบครอบในการเป็นอยู่อย่างมากอันนี้คือการครบค้าสมาคมกับผู้คนทั้งหลายควรจะแสดงกับกิริยาอย่างไรกับคนที่มาเกี่ยวข้องเมือเราจะขึ้นเทศแล้วเราจะพูดต้องเป็นจิตจะลักษณะ ผู้ที่ฟังก็ตั้งใจฟังในทำคําสอนที่จะพูดให้ฟังอไม่ใช่ว่าคุยกันขโมงโงงเงองตัวเองก็เป็นบ้าน้าลายก็พูดน้าลายฟูมปากไปเรื่อยธรรมะของพระพุทธเจ้าไม่ใช่ประเภทน้าลายฟูมปากมิ่งไม่ใช่อยากพูดต้องให้ผู้ฟังตั้งใจฟังซะก่อนจึงพูดให้ฟังแสดงความคิดเห็นให้ฟังแนะนําให้ฟังะในทำคําสอนของ พระพุทธเจ้าท่านละเอียดออนถึงขนาดนั้นตลอดถึงการเป็นอยู่เราจะไม่ถุยให้ถุยน้ําลายลงในน้ําลดของเขียวคือเราจะไม่ถมน้ําลายลดใบไม้ใบหญ้า เ, าเรีอกว่าอุจจาระปัสสาวะลงไปลงในของเขียวหรือเราจะไม่ถ่ายอุจจาะปัสสวะบ้วนเคละคือบ้วนน้ําลายลงไปในน้ํำ อันนี้พราะพระไตรยเจ้าท่านก็สอนพอน้ํามันเป็นของสาธารณะตาพระสงฆ์ไปถ่ายอุจจาร ะ, ะหรือกายปัสสาวะแล้วบ้วนน้าลายลงไปในน้ําก็ทําให้น้ําสกปรกน้ําไม่น่าใช้เพราะฉะนั้นอย่าทําใครทําก็ตามปรับเอาปัทุ ก, กฎนี่แหละสรุปได้ก็คือล้วนแล้วแต่มรรยาตของกษัตริย์ทั้งนั้นรักษาสาธารณะประโยชน์ให้ร่วมกันอยู่ด้วยกัน ไม่ใช่ว่าตัวเองจะทําอะไรก็ทําไม่ใช่นะหลักของพุทธศาสนาแต่ทุกวันนี้มันแปลกๆนะพวกเราเคยสังเกตไหมถ้าองค์ไหนก็ตามทําอะกับกิริยาแบบพิเรนพิเร น, นออกนอกลูก่นอกทางอ อ, องค์นั้นเลยดังฮะพระองค์นั้นดังเพราะใครอยากจะดังกนะเอแต่ทําอย่างนั้นแนะหลยหลวงพ่อก็บอกว่าใครอยากจะดังกับยากอะไร เออหาอะไรหาดูกกระพวนมาแขวนคอแล้วก็เดินไปมันกระดังั่านเองจะไปยากอะไรเดบไปทีนี้นก็ตีค้องไปเรื่อยๆมันกระดังอีกเหมือนกันนั่นแหละถ้าเป็นยังไงวายางไงเออทําไมว่าบ้ากว่าอะไรท่านเอเนี่ยมันเป็นลูกศิษย์พระพุทธเจ้าไหมพระพุทธเจ้าท่านสอนยังไงเ่ยท่านตรัสว่ายังไงเพราะนั้นพวกเราที่เป็นพุทธศาสนิกชน พุทธบริษัทของพระพุทธเจ้าเรามีหูสองข้างเรามีตาสองข้างอันไหนผิดอันไหนถูกอันไหนถูกตามหลักพระธรรมวินยัยเพราะฉะนั้นเราต้องศึกษาสรุปแล้วคือให้ศึกษาหลักพระธรรมวินยัยพระพุทธเจ้าตรัไสไว้อย่างไงสอนอย่างไรที่พระพุทธเจ้าบอกกล่าวสําหรับพระสงฆ์อย่างน้อยก็ต้องศึกษาอพระธรรมนี้ถูกไหมเนี่ยอ เราเดินทุดงก็เหมือนกันเขาว่าเดินทุดงนะเดินยังไงไม่ใช่ไาทําให้เขาเดือดร้อนผุนวายไปทั่วบ้านทั่วเมืองอันนั้นก็ไม่ใช่เดินทุดงของพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้านี่เดินทุดงเข้าไปในป่าไปหาภาวนาในที่สงบส ง, บสงดัดที่แจ้งลองง้อมฟังโคนต้นไม้เงื้อมผาไปโสะแสวงหาความสงบเดินเข้าไปในป่าเดินอยู่เดินทุดงจากนั้นก็ ไปอยู่ในชุมชนหมู่บ้านของเขาบอกถามเขาเออที่ไหนที่สงบสงัดชาวบ้านเขาก็จะไปจัดสถานที่ให้เพราะจัดสถานที่ให้แล้วกันพระสงฆ์ก็ไปภาวนาเลยต่างองค์ก็ต่างไปภาวนาของใครของเราเล่งความภาคเพียงของใครของเราไม่พูดไม่คุยกันต่างองค์ต่างอยู่พอได้รับธรรมคาสอนของพระพุทธเจ้ามาแล้วอย่าคุกคลีด้วยหมู่คณะอย่าไปพูดคุยกันนะ เวลาเขาไปอยู่ในป่าเวลาไปภาวนาไปเดินทุดงไปแล้วต่างองค์ก็ต่างอยู่แต่ท่านก็มีกฎกติกาเหมือนกันนะเวลาเข้าไปอยู่ในป่าถ้าองค์ไหนเจ็บไข้ได้ป่วยไม่สบายก็มาเคาะไม้หรือมาเคาะกะโหลกที่มันเสียงดังทําไม้ไผ่ที่มันดังเคาะเป็นมาดังป่องป่องป่อปป่อ ง, อ ง, อ ง, องพระที่อยู่ด้วยกันก็เออมีปัญหาอะไรแต่อังกอลก็ออกมาจากที่พักของตน ต้องมาถามไถยว่ามีอะไรองค์ที่เคาะขึ้นมาก็เออไม่สบายเจ็บไข้ได้ป่วยหรือว่าคนเขามาหามีเรื่องจะต้องปรึกษาปารพบกับคณะสงฆ์ต้องมีเรื่องจะกอดที่เคาะไม้ตอนนั้นได้ท่านมีก ฎ, กฎกติกากันอย่างนั้นในการอยู่ด้วยกันอันเวลาเดินทุตลงไปพอได้เวลาละเออหัวหน้าก็พาออกจากป่าใครได้มักได้ผลอย่างไรไปกราบพระพุทธเจ้า ไปศึกษาธรรมะจากพระพุทธเจ้าอันนี้คือคือการเดินธุดงไม่ใช่ว่าเดินธุดงไปหมู่บ้านนั้นหมู่บ้านนี้เพื่อจะให้เขามาต้อนรับขับสู้อันเนินมันมันไม่ใช่เดินธุดงมันมันไปวิบุญไม่ใช่ไปวิเวกไปอย่างนั้นไปวิบุญวุ่นวายไปหมดทุกหัวไหลแหง น, นั่นน่ะไปวิบุญถ้าไปวิเวกเราก็ต้องหาหมุมสงบไปอยู่ในป่าดงผงไป อยู่ในป่าช้าอยู่ในที่แจ้งลองฟังหาที่สงบสงัดเป็นที่ภาวนาเนี่ยแหละถ้าเราดูแล้วตำหลักทำคำสอนการออกวิเวกนี่ยจุดประสองค์อะไรการเดินทุโงคือจุดประสองค์อะไรทุโงขวัตเตระสะทุโงสิบสามันมีข้อไหนบ้างที่ให้เดิน เ, เดินไปเพื่ออะไรไม่มีนะทุโงสิบสามถ้าเราศึกษาดูให้ดีสิ เราจะฉันในบาทเป็นวัดอยู่ในป่าเป็นวัดคาว่าป่าคำนี้ก็คือห่างจากหมู่บ้านประมาณหนึ่งกิโลนะนี่ว่าคาว่าห่างห้าร้อยห้าร้อยห้าร้อยขาธนูช่วงขาธนูก็คงขาธนูหนึ่งก็คงจะสองเก้าวหมสองเก้ากระคงจะเป็นหนึ่งเมตรนะห่างประมาณหนึ่งกิโลอันนี้ว่าพระที่อยู่ป่า แล้วก็ถือผ้าบางสกุลเป็นวัดคือถือผ้าสามผืนฉันนในบาทเป็นวัดก็อย่างพวกเราฉันฉันอาชนะเดียวเป็นวัดอยู่ป่าช้าเป็นวัดอยู่โครนต้นไม้เป็นวัดอยู่ที่แจ้งเป็นวัดแต่ถ้าว่าอยู่ที่แจ้งแล้วก็จะอยู่โคนต้นไม้ได้ยังไงอันนี้นก็คือจะอยู่ที่แจ้งก็ได้อยู่โคนต้นไม้ก็ได้แต่เป็นทุรงอีกเหมือนกันอันนี้ก็คือทุรงขวัต เตระชาทุรงสิบสามสรุปแล้วก็คือเป็นเครื่องขัดเกลาวให้เป็นผู้มักน้อยให้เป็นผู้สันโดษในการเป็นอยู่แล้วก็ไม่รับอาหารตามที่สุกมาภายหลังเหล่านี้แหละอันนี้ก็คือพวกเราศึกษาดูทุรงทุรงเตระชาทุรงสิบสามไม่ใช่ว่าพระเดินเพลนผ่านอยู่ในตลาดทั้งหมดก็เดินทุรงเดินทุรงอะไร มันไม่ใช่เดินทุโรงเลยอย่างนั้นไม่มีในหลักธรรมวินัยให้ศึกษาสิ่งเหล่านี้ให้ศึกษาให้ดูในพระไตรปิฎกมันมีเตระสะทุโรงสิบสาอยู่ในพิสุทธิมักท่านกอธิบายให้ชัดเจนแล้วก็มันมีอยู่ในธรรมวิภิภาคนักธรรมโทพวกเราอ่านดูได้หาดูได้ค้นดูดูได้ อว่าทุดงควัตสิบสามนั่นคืออะไรสิ่งเหล่านี้เรื่องหลักพระธรรมวินยัยหลักธรรมคาสอนของพระพุทธเจ้าไม่ใช่ว่าจะอยู่กับพระสงฆ์เท่านั้นนะอยู่กับพุทธบริษัทสีเหมือนกันพุทธบริษัทสีนั้นช่วยกันดูช่วยกันประคับประคองใช่วยกันอตรวจตราเข้มงวดกวดขันสิ่งไหนที่มันไม่ดีก็บอกเอออันนี้ไม่ถูกนะไม่ถูกหลักพระธรรมวินัยนะเอ ไม่เช่ว่าท่านจะทําตามอาเภอใจทําตามอัถาใจได้ยังไงท่านเอาตัวไหนมาพูดตรงเนี้ยเนี่ยอันนี้ก็คือถ้าพวกเราได้รู้ได้ศึกษาหลักพระธรรมวินัยมันก็ต้องเป็นอย่างนั้นถ้าพวกเราไม่ได้ศึกษาก็อย่างว่าเหมือนกันนะอันไหนที่ท่านพัฒ น, น, น, น์ทำพิเรนพิเรนทําแปลกๆ ก, กว่าพระองค์อื่นไม่ทําพวกเราโอ้โหองค์นี้เก่งเออทําไมท่านพูดทําทําอย่างนี้ได้โอ้เก่งองค์นี้ไอ้ที่แท้นั้น ถ้าเอามาเปรียบเทียบกับหลักพระธระรมวินัยแล้วมันมันคนละเรื่องกันนะเพราะฉะนั้นสิ่งเหล่านี้ก็อยากจะให้พวกเราท่านทั้งหลายศรัทธาญาติโยมทุกหมู่เหล่านั้นนะแต่พูดทางนี้ทางนั้นก็ไม่ใช่ว่าจะให้มานับถือเรื่อมใสหลวงพ่ออินไม่ใช่นะพวกท่านทั้งหลายมีสิทธิ์เหมือนกันที่จะตรวจตราหลวงพ่ออินตรงไหนที่มันไม่ถูกพวกเราก็อ่านรู้สิทิ์สองร้อยี่สิบเจ็ดมีอะไรบ้างนะแล้วสินอภิสมาจารมีในพระ ไตรปิฎกเนะี่ยมีอะไรบ้าง อ, อ่อานได้ศึกษาได้แต่ถ้าสงสัยก็ถามได้เหป็นกัารนะทวงสงสัยแล้วก็ถามว่ามีอะไรโดยถามองค์อื่นก็ได้พระโดยมากเป็นแต่ขั้นได้ศึกษาในพระไตรปิฎกในศึกษาในหลักพระธรรมวินัยนะแต่หลวงพ่อเนี่ยหลวงพ่อไม่ใช่คุยหลวงพ่อว่าได้อ่านเรื่องหนังสือพระไตรปิฎกเนี่ยศึกษาในหลักธรรม หลวงพ่อวะนุ้งสมพ่อได้ศึกษาเอ่พอสมควรเหมือนกันเทั้งพิจารทั้งย่ออย่างที่พระไตรปิฎกสําหรับประชาชนหลวงพ่อเนี่ยอ่านแล้วอ่านอีกอันนี้เออเพราะว่าเขาพูดจนย่อจากนั้นไปอ่านเล่มใหญ่อีกอ่านเล่มใหญ่เอาเล่มน้อยเอาเล่มเล็กนึ่ขยายพอเราอ่านเข้าเข้าใจแล้ว เล่มใหญ่เข้าใจแล้วมาอ่านเล่มเล็กนี่ใครข่าวว่าเขาย่นยอ่อให้เขาเขายอ่อให้ยอ่อความให้เราก็จะได้จับใจความได้อีกว่าอือที่เราอ่านเนี่ยยืดเยื้อไปแต่ว่าเอาเล่มนี้เน่ยเขาสรุปให้แล้วเนี่ยนั่นแหละอันนี้คือคือเราได้อ่านได้ไดศึกษาอในพระไตรปิฎกหลวงพ่อว่าหลวงพ่อองค์หนึ่งเหมือนกันนะว่าได้อ่านได้ศึกษาในพระไตรปิฎกแต่ถึงยังไงก็พ่อแม่ครูบาอาจารย์ของเราเนี่ย หลวงตามหาบัวหลวงปู่ล่าหรือสายหลวงปู่มั่นของเราหลวงพ่อมั่นใจว่าท่านเราได้เดินถูกเดินตามแนวแถวปฏิปทาพระพุทธศาสนาเดินตามประไตรปิฎกถึงจะผิดก็ผิดมีความเห็นผิดบ้างเป็นนิ็กแต่อยแต่จุดใหญ่นี่คืออันเดียวกันแนวความเห็นนะจุดเล็กจุดน้อยแนี่มีอยู่จากหลวงตาแจ้งเขาว่าคำนี้ มันเป็นครูบาอาจารย์หรือว่าเกจิอาจารย์ขึ้นมาภายหลังพูดหรือเปล่าทําทำไมมันดูดูแล้วมันไม่เข้ากับหลักเหตุผลของพุทธศาสนาท่าแม่งท่าแม่งอยู่คำนี้สิ่งเหล่านี้เพราะพุทธศาสนาเป็นมานมนานจะให้ถูกใจทุกคนก็คงเป็นไปไม่ได้เมื่อลูกพ่อเป็นผู้รจนาและเป็นผู้สังคายนาลูกพ่อก็คงจะเอาความคิดเห็นของตัวเองเข้าไปบ้าง แต่คนที่หลังมาทีหลังเอ๊ะคำนี้มันไม่ใช่ลักษณะทมคำสอนของพระพุทธเจ้านะมันขัดกับจุดนั้นอยู่นะคำนีน้อาจจะเป็นคำครูบาอาจารย์ุ่นก่าวเขารสจนาเขาเขียนเอาไว้ตามความเห็นของท่านกัมมังเนี่ยลักษณะอย่างนี้แหละแต่ว่าจุดใหญ่กนะ็คืออันเดียวกันเป็นที่ยอมรับอย่างอริยสัจสี่นไม่มีใครเถียงไตรลักษณ์อนิจังทุกขังของ น, าานัตตา หรือว่าสติปัฏฐานสี่การพิจารณากายเวทนาจิตธรรมอันนี้คือหลักใหญ่ของพุทธศาสนาอันนี้ไม่มีใครเถียงกันลงตัวจุดนี้แต่ปีกย่อยนั้นมีอยู่แต่ถึงยังไงพวกเราได้ศึกษาได้ฟังแล้วก็จะรู้ได้อย่างพระวินัยเนี่ย ค, คือตายตัวอยู่แล้วนะอย่างที่หลวงพ่อได้พูดการอยู่การฉานันการไปการมาการคบค้าสมาคมการกับกิริยามารยาทในการเคลื่อนไหวเข้าไปในอยู่ชุมชนสังคม อันนั้นตายตัวอยู่แล้วไม่มีใครขยับออกไปได้จุดนั้นอนนั้นคือพอบีไหนคือกฎระเบียบเหมือนกบับกฎหมายเอยวันนี้หลวงพ่อได้แนะแนวหรือว่าแสดงความคิดเห็นให้แก่พวกเราท่านทั้งหลายได้ฟังได้ศึกษาเป็นแนวทางอีกแนวทางหนึ่งให้พวกเราใช้สติใช้ปัญญาใช้แนวความคิดหรือ่อศึกษา อ, อในหลักธรรมคําสอน เมื่อได้ยินได้ฟังแล้วก็อืมให้สังเกตอันไหนผิดอันไหนถูกอันไหนควรไม่ควรอย่างไรไม่ใช่ว่า เ, เขาทำขึ้นมาแล้วก็แปลกแปลกแล้วก็พูดขึ้นมาแปล ก, กแปลกแตก็เหอไปตามเขาไม่ได้นะอันน่้แปลว่าเห่ออกจากนอกนอกจากหลักธรรมวินัยแล้วไม่เป็นผลดีมีแต่ตกเหวตกบอ่อมันไม่ใช่ตกเหวตกบอ่อเนตกนรกอเวจีไปเรื่อย มันไม่ถูกนะพวกเราต้องอยู่ในกรอบนะนยึดแนวแถวของพ่อแม่ครูบาอาจารย์ของพวกเราพาดําเนินอย่างหลวงพ่อเคยไปพูดที่กรุงเทพเมื่อกี้เนี่ยหลวงพ่อไปที่สวนแสนธรรมหลวงพ่อว่าเออศรัทธา ญ, ญาติโยมทุกหมู่ทุกเราหลวงตาพึ่งจากไปไม่นานพวกลูกพวกหลานพวกเราทัานทั้งหลายต้องยึดองค์หลวงตาให้มั่นคงนะปฏิปทาของหลวงตาสอนไว้ชัดเจน ในเทปใน MP ็สในหนังสือลงตาบอกชัดเจนให้เดินตามนั้นเนี่เพราะพ่อแม่ครูบาอาจารย์ของเราเนี่ยไม่มีการหลอกลวงต้มตุน๋นกระดูกของท่านก็ได้กลายเป็นพระธาตุให้พวกเราได้กราบได้ไวาอีกต่างหากท่านเป็นพระอรหันต์แล้วแต่ต้องอจากนั้นน่ะเออพวกเราไปเหอไปได้เหมือนนั้นนะพลังนั้นพลังนี้เอออภินิหาร น, นั้นอภินิหาร น, นี้เจ้านั้นทรงนี้ หมอดูนั้นหมอเดานี่ถ้าเราไปอย่างนั้นคือมาไปว่าออกนอกดูนอกทางสายลงตานะคณะจัตไถายญาติโยมนะพวกเราต้องยึดมั่นในแนวแถวองค์ลงตาที่แนะนําสั่งสอนนั้นล่ละเป็นทางที่ถูกต้องที่สุดแล้วในทำคําสอนของท่านเนี่ยหลวงพ่อเน้นหนักนะเพราะฉะนั้นพวกเราทุกๆ ท, ท่านนะศึกษาและปฏิบัติ ต, ตามแนวแถวลงตา พ่อแม่ครูบาอาจารย์เราสอนเดินไม่ผิดทางเดินถูกทางนะถ้าเดินออกจากนั้นไปแล้วไม่แน่มันกันนะอาจจะตกเหวตกบอก่อเพ่อเพถลําเข้าไปเป็นบ้าเป็นบ่อ ก, กับเขาไปได้นะรับพรนะทนาอนุโมทนาให้พร